ส่ังเกตจากการดูการดูในที่นี้หมายถึงการใช้ประสาตาเช่นดูของดูคนดูผ้าดูสัตว์และดูอะไรทุกอย่างที่ใช้ตาดูและก็โปรดทราบไปด้วยว่าสิ่งที่ตาเห็นทุกอย่างในที่นี้ใช้คำว่ารูปเหมือนกันหมดไม่ใช่หมายเอาแต่เพียงรูปเขียนรูปถ่ายเท่านั้นอะไรที่ตาเห็นได้เรียกว่ารูปทั้งนั้น คนเรามีประสาททางร่างกายอยู่หที่ว่ามาแล้วตอนต้ น, ตนในประสาททั้งห้านั้นมีอยู่สองอย่างที่ใช้ในการศึกษาถ่ายทอดความรู้จากภายนอกเข้าสู่จิตได้มากกว่าเพื่อนคือประสาทตากับประสาทหูจิตรับความรู้ต่างๆจากสองทางนี้เป็นส่วนใหญ่เช่นใช้ตาดูใช้หูฟังส่วนจมูกลิ้นกายใช้บ้าง และแม้จะมีอารมณ์ผ่านเข้ามาทางสามทางนี้จิตก็เพียงรับรู้รับทราบแล้วก็หยุดกันแค่รู้แค่ทราบเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรให้จิตดีขึ้นหรือเลวลงมากนะักเช่นจมูกดมกลิ่นก็ดมได้แค่ว่าหอมหรือเหม็นจะดมอย่างไรให้มันเกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นอีกก็ไม่ได้สุดอยู่แค่ดมพอรู้เท่านั้นเองดังนี้เป็นต้น ไม่เหมือนประสาทที่ท่านจัดไว้ลำดับที่หนึ่งกับสองคือตากับหูซึ่งใช้เป็นทางศึกษาได้เพราะสัมพันธ์กับใจมากทีนี้การใช้ประสาททางตาทางหูนั้นบางคนใช้มากจิตจึงสบายบางคนใช้น้อยจึงสบายไม่เหมือนกันเพราะการใช้ตาใช้หูนั้นจิตต้องออกกําลังด้วยคนราคาจริตกับคนโทสะจริตชอบดูชอบฟัง ถ้าไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังไม่มีความสุขใจกระวนกระวายส่วนคนโมหจริตไม่ชอบทั้งสองอย่างดูก็ไม่ชอบฟังก็ไม่ชอบเพราะตามปกติจิตของคนโมหจริตหย่อนกําลังอยู่แล้วพอใช้ให้ดูให้ฟังประเดี๋ยวก็เพลียเหมือนคนไม่มีกําลังถูกใช้ให้ทำงานประเดี๋ยวก็นั่งหอบเราจะเห็นคนโมหจริตนั่งหลับง่ายๆในห้องเรียน หรือในขณะฟังปากฐกถาหรือฟังการบรรยายอบรมในคำพีที่เป็นหลักศึกษาจริตก็กล่าวไว้กว้างๆใจความว่าคนราคะจริตชอบดูรูปที่สวยงามหรือทำให้นึกคิดถึงความงามเช่นดอกไม้วิวสีสดสดและรูปคนสวยๆคนแต่งตัว ง, งามๆและอื่นๆ เวลาดูก็เพ่งพินิษ์อย่างติดอกติดใจจริงๆไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละแม้ว่ารูปนั้นเลยไปแล้วก็ตามดูลับไปแล้วก็ฉเฉงอ๋อมองคนโทศาสต์จริตชอบดูภาพแห่งความเร็วภาพแห่งความหวัดเสียวและภาพแห่งการต่อสู้ภาพจูงความรู้เช่นภาพฟ้าแลบภาพเตกพังภาพจรวดภาพอาวุธ ภาพจรวดมวยภาพเครื่องวิทยาศาสตร์และอื่นๆเวลาดูเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยติดใจดูสำส่าผ่านไปแล้วก็แล้วไปคนโมหจริตไม่ชอบการดูแต่จำเป็นจะต้องดูก็ดูไปอย่างนั้นถ้านำทหารหรือนักเรียนหรือคนประเภทไหนก็แล้วแต่สักสิบถึงสิคนไปดูภาพเขียนตามกำแพงวิหารวัดพระแก้วเพื่อทดสอบจริต โดยไม่ให้เขารู้ตัวพอไปถึงเราก็บอกให้เขาดูตามลาพังและบอกให้เขารู้ว่าเวลาเหลือเยอะแยะใครอยากดูเท่าไหร่ก็ได้เสร็จแล้วเราคอยคุมเชิงดูอยู่ห่างๆสักสิบนาทีเท่านั้นคนเหล่านั้นจะแยกออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเพิ่งจะดูไปได้สักสองถึงสามห้องแต่กลุ่มหนึ่งดูเลยไปเสียไกลแล้วและอาจมีสักสอ ง, งสามคนที่ ไม่เข้ากลุ่มไหนคือไม่ดูเพียงแค่คอยขยับเท้าไปตามพวกแต่ก้มหน้าดูพื้นหรือไม่ก็เหม่อไปทางอื่นเพียงเท่านี้ก็จับจริตได้แล้วพวกดูช้าคือพวกราคาจริตพวกดูเร็วคือพวกโทสะจริตและพวกไม่ค่อยดูคือพวกโมหจริตและถ้าเราตามเข้าไปสังเกตใกล้ๆ ก, ก็จะเห็นว่าคนราคาจริต พากันมุงดูรูปสวยๆงามๆมีรูปนางฟ้ารูปสวนดอกไม้รูปปราสะราชวังเป็นต้นส่วนพวกโทสะจริตก็มุ่งดูรูปทหารรบกันรูปเสือกินคนรูปลิงกระโดดข้ามน้ำเป็นต้นหสังเกตจากธรรมที่เขาประพติที่ว่าทรรมในที่นี้เป็นสำนวน ว, นวัดจัดในความรู้สึกของชาวบ้านเรา คงเข้าใจว่าหมายถึงคุณความดีต่างๆเท่านั้นแต่ความจริงท่านหมายถึงฝ่ายกิเลสด้วยถ้าจะพูดกันตรงๆน่าจะว่าสังเกตจากความประพฤติจะฟังง่ายกว่าการสังเกตจริตจากความประพฤตินี้ยากมากต้องมีความละเอียดและชำนาญจึงจะไม่ผิดข้าพเจ้าเองยังทำไม่ได้ผลเป็นที่พอใจขอฝากไว้สาหรับผู้สนใจได้ศึกษาและค้นคว้าต่อไป คนราคาจริตมีความประพฤติมารยาทขี้อวดถือตัวปรารถนาลามกมักได้ขาดสันโดษคือไม่รู้จักพองอนอ่อนแอขี้ขลาดขี้อายและอื่นๆคนโทสัจริตมีความประพฤติขี้โกรธูกโกรธคือไม่ให้อภัยหลูคุณท่านตีเสมอ สยยขี้เหนียวและอื่นๆคนโมหาจริตมีความประพฤติง่วงเหงาขี้เศราฝุงซาดลังเลคล้อยตามคนอื่นง่ายๆอบรมแนะนำให้ดียากไม่มีเหตุผลสับเร่าและอื่นๆคนศรัทธาจริตมีความประพฤติยอมสละอย่างสิ้นห่วงคือให้จนหมดตัว อยากเห็นผู้วิเศษอยากฟังธรรมปรีดาประโมทมากไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเลื่อมใสในสิ่งที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสและอื่นๆคนวิตกจริตมีความประพฤติพูดพร่ามชอบคลุกคลีกับหมู่ไม่ชอบทำบุญเปลี่ยนงานบ่อยๆคือทำงานทิ้งๆคว่างๆกลางคืนวางแผนแต่กลางวัน งานไม่ทําวิ่งเปล่าทางโน้นทางนี้และอื่นๆคนพุทธิจริตมีความประพฤติว่าง่ายสอนง่ายรู้จักเลือกคบคนดีรู้จักประมาณในการกินไม่ค่อยเผลอเรอคือความจําดีประกอบความเพียรคือขยันหมั่นเพียรสลดใจในที่ควรสลดความคิดแยบคายและอื่นๆ อาการเหล่านี้สังเกตยากอยู่สักหน่อยต้องดูกัน น, น, นานๆเพราะผู้ที่ฝึกอบรมธรรมะมามากมักจะเอาธรรมะกลบกิเลสไว้ทำให้ดูยากบางอย่างต้องคอยดูเวลาเผลอตัวแต่สำหรับการสังเกตใจตัวเองไม่มีปัญหาวิธีทายจระเรง่ายๆสิบข้อ หลังจากได้สนใจวิธีสังเกตจริตตามหลักใหญ่ๆที่ได้ศึกษามาทั้งห้าอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าได้พบข้อสังเกตง่ายๆหลายอยา่างที่เป็นข้อที่จะหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อใครมาหาหรือไปหาใครหลักเหล่านี้อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ได้แต่ก็คิดว่าจะช่วยในการสังเกตจริตของคนได้ใกล้เคียงอยู่มากเชิญทดลองดูหนึ่งทรงผม คนราคะจริตพิธีพิถันมากหวีเรียบมันปลาบมีทั้งหวีเป๋หวีแบ่งหวีตรงส่วนมากหวีทรงยาวๆคนโทสัจจริตถือเป็นเรื่องเล็กบางทีไปไหนไปไหนไม่หวีผมเลยก็ได้เวลาหวีก็ไม่ต้องส่องกระจกก็ได้หวีพอให้เส้นผมมันไม่ยุ่งเหยิงเท่านั้นส่วนมากหวีตรงและตัดสั้น คนโมหาจริตเปลี่ยนทรงบ่อยๆหวีไม่ค่อยทั่วศีรษะใส่น้ำมันเยิ้มเป็นแหง่งเห่ ง, งการแต่งกายคนราคาจริตเสื้อผ้าสะอาดรองเท้าขัดเป็นเงาแม้ว่าจะเก่ารือขาดเชือกผูกรองเท้าไว้เงื่อนพอ ง, งามและเหมือนกันทั้งสองข้างเสื้อกางเกงหลวมนิดๆถ้าเป็นพระภิกษุก็ห่มจีวร ห, หลวม คนโทสะจริตไม่เรียบร้อยเสื้อกางเกงแม้จะยังใหม่ใหม่ก็มีตำหนิและต้องให้กระชับตัวถ้าเป็นพระภิกษุก็ม้วนลูกบวชจนแน่นรองเท้าไม่มันเชือบผูกสองข้างไว้เงื่อนไม่เหมือนกันคนโมหะจริตรุ่มร่ามให้สังเกตจุดที่เขาต้องทำซ้ำๆจะเห็นว่าเขาได้ทำข้ามไปบ้างเช่นร้อยเชือบผูกรองเท้าไม่ครบทุกรู ร้อยเข็มขัดเข้าหูกางเกงไม่ครบทุกหูกลัดกระดุมไม่ครบทุกเม็ดที่ควรกลัด 3. โต๊ะทำงานคนราคาจริตหนังสือและสิ่งของบนโต๊ะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่โตวางไว้พวกโตที่เล็กวางไว้พวกเล็กของประเภทเดียวกันอยู่รวมกันเช่นลวดเสียบเข็มหมดุดกระดาษเปล่าและอื่นๆคนโทสาจริต สิ่งของคระยุ่งนุงกันไปหมดหนังสือที่วางบนโต๊ะมักจะไขว้หัวไขว้ท้ายชนิดก็ปะปนกันยิ่งดึงดูในลิ้นชักด้วยแล้วหมดสงสัยคนโมหจริตบนโต๊ะจะมีพวกเอกสารเก่าๆและสิ่งที่ไม่มีความจะเป็นสำหรับชอีกงานกองพเนน 4. กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทํางานคนราหจริต จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสังเกตการพับและการบรรจุผิวกระเป๋าเกลี้ยงเกลาด้วยการถนอมคนโทสัจจริตสักแต่ ว, ว่ามน้วนใสผิวกระเป๋าเต็มไปด้วยรอยขูดรอยเลอะคนโมหจริตคล้ายคนโทสะจจริตห้าซองธนบัตรคนราคาจริตจัดธนบัตรชนิดราคาต่างๆเรียงกันเรียบร้อย ด้านหน้าด้านหลังตามกันคนโทสัจริตเพียงแต่ขยุ้มใส่ไม่ให้หายเป็นพอและมักจะมีเศษกระดาษอย่างอื่นจุกอยู่ในซองนั้นด้วยคนโมหจริตคล้ายๆกับคนโทสัจจริต 6. ผ้าเช่ดหน้าในกระเป๋าสังเกตเวลาเขาควักออกใช้คนราคะจริตพับและรีดเรียบสะอาดคนโทสัจริต ตั้งแต่ควักออกใช้ครั้งที่สองไปไม่ต้องพับขยุ้มเลยคนโมหจริตไม่ต้องมีผ้าช็ดหน้าใช้ 7. การสนทนาคนุราคาจริตมักจะเริ่มด้วยการชมเช่นแม้ดีใจที่ได้พบแต่งตัวหล่อจังและอื่นๆคนโทสะจริตเริ่มด้วยการตำหนิหรือต่อว่าหรือถามเช่นว่าหายหน้าไปนานทีเดียว เออว่ายังไงคอยทับแย่เอา้ามาคนโมหาจริตไม่ค่อยทักใครก่อนเป็นฝ่ายตอบแการพูดคนราคาจริตพูดช้าเน้นเสียงเมื่อพูดถึงความงามหรือพรรณนาความงามติดแต่แม้แม้คนโทสัจจริตพูดเร็วเด็ดขาด ชอบตั้งคำถามเอากับผู้ฟังแล้วก็ตอบเสเองใช่ไหมล่ะจริงไหมอดตำหนิสิ่งที่พูดถึงไม่ได้คนโมหจริตพูดพลามวนเวียนข้อความขาดตอนถามนอกเรื่อง 9. การเขียนคนราคะจริตเขียนหนังสือช้าประดิษฐ์ประดอยช่องไฟเสมอไม่หวัดเสมอต้นเสมอปลายลายเซนไม่หวัดและไม่ตวัดหางเกินไปลายมือเบา ใช้ปากกาเส้นเล็กหมึกสีอ่อนดินสอแหลมคนทวรศาสตร์จริตเขียนวัดเร็วตกมากช่องไฟไม่เสมอปากกาเส้นใหญ่ดินสอทื่อกดกระดาษหนักมากลายเส้นวัดและไม่ค่อยอยู่ตัวคนโมหะจริตลายมือไม่เสมอเช่นขึ้นตัวบรรจงไปหน่อยวัดไปหน่อยบรรจงข้อความวนเวียน เส้นหมึกนั้นถ้าดูให้ดีจะเห็นสันนิดๆคือไม่ใช่สันเพราะโรคหรือเพราะชราลายเส้นไม่อยู่ตัวเส้นหมึกกดหนักตอนเริ่มจดปากกาแล้วเบาเป็นตอนตอนหนักเป็นตอนตอนสินิสัยคนราคาจริตยิ้มบ่อยขี้อายเมื่อเอ่ยปากพูดจะหลบสายตาคนฟังไม่ชอบของฉุนเช่นปรีฉุน และกาแฟอย่างแก่ของใช้ประจำตัวนิยมของเล็กเรียวเช่นจำพวกปากกาดินสอกระเป๋าทำงานนาฬิกาคนโทรสาริษชอบทำเสียงออกจากลำคอแทนการยิ้มในการพูดชอบใช้คำอุทานบ่อยๆเช่นอ่าอืมน้อยเว้ยวยวะและอื่นๆ ของใช้แต่ละอย่างมีรอยใช้จนช้าจนยับเยินเช่นสมุดพกประจําตัวซองธนบัตรและแว่นตาเป็นต้นติดของฉุนเช่นบุหรี่หมากกาแฟดําร้อนองมยาฉุนใช้ยานักหรือไม่ก็เลิกเด็ดขาดเลยในวงเล็บไม่เคยมีการผ่อนผันเป็นสูบบุหรี่อย่างจืดแทนอย่างฉุนหรือรับประทานนมชงแทนกาแฟคนโมหจริต นิสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวนี้ไม่มีอะไรแน่นอนตามลมตามแรงไปเรื่อยๆจริตแสดงออกต่อเนื่องกันมีข้อแปลกอีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตแล้วจะสนุกและเป็นการฝึกความชำนาญในการดักจริตของคนคือพฤติการต่างๆของคนคนหนึ่งจะแสดงออกไว้ในที่ทุกคนทุกแห่งเหมือนกันถ้าจะจับจุดหนึ่งได้แล้วก็กินได้ทั้งแถวยกตัวอย่าง เราเห็นคนคนหนึ่งควักผ้าเช็ดหน้าออกมาใช้เห็นได้ชัดว่าไม่เดืรีบหรือขยุมยุยี่เรียกว่าบ่งโทรสะจริตเต็มที่เป็นอันทายไม่ผิดว่าธนาบัตรในกระเป๋าก็โดนขยุมใส่ไว้เหมือนกันดูลายเซ็นในบัตรประจำตัวก็ยุ่งเหยิงอีกเปิดดูไดอารี่สำหรับบันทึกงานส่วนตัวก็เขียนวัดไม่เป็นท่าพูดออกมาก็เข้าตารา ถึงจะตามไปดูที่นอนก็อย่างว่านั่นแหละอาจขึงจอไว้ไม่ได้เก็บก็ได้ถึงจะเก็บก็ลองตามดูซิว่าภาพเรียบร้อยหรือไม่ตกลงกินตลอดแถวแค่ได้รับจดหมายใครดูที่สลักหลังซองว่าหวัดยุ่งยุ่งแสดงว่าไม่สงสารบรุษรไปรณีน่เลยทายได้ว่าจะต้องปวดหัวเพราะอ่านหนังสือหวัดข้างในและจะต้องขยี้ต้อีกครั้งเมื่ออ่านลายเซน็น ข้อความที่พูดมาก็จะสิ้นสุดติดขาดลงเป็นตอนๆไม่ทิงง้งแง่ทิ้งเงื่อนให้สงสัยลองตามไปเยี่ยมเจ้าของจดหมายถึงบ้านดูเถอะเข้าตำราทั้งนั้นเขาเป็นโทรสะจริตปรากฏการ์อื่นๆก็กินแถวอย่างนี้เหมือนกันถ้าหัดสังเกตให้ดีแล้วจะได้เปรียบในการติดต่อและการรับรองแขกมากเมื่อจดหมายเขาบ่งจริตอย่างไรเราก็สนองให้เหมาะกัน ในบางกรณีเช่นมีใครส่งจดหมายมาหาเราล่วงหน้าบอกว่าจะมาหาเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งพอเราจับจริตได้การครองใจก็ได้ผลง่ายเข้าจะจัดที่พักจัดอาหารจัดบุคคลและเรื่องราวไว้รับรองแจวไปเลยเชิญศึกษาต่อไป 18. ผนวกภาคปฏิบัติจากบทก่อน ท่านได้พยายามหาความรู้ในเรื่องจิตและพฤติการของจริตเป็นการเพียงพอสำหรับการครองใจคนในธุรกิจและดำรงชีพของคนสามัญในบทนี้จะได้เสนอวิธีปฏิบัติพอเป็นทางพิจารณาวิธีการต่างๆซึ่งจะได้เสนอในบทนี้เป็นแบบผนวกคือถอดออกมาจากพระพุทธกิจบ้างจากการปฏิบัติของพระสาวกบ้าง และจากวิธีการของพุทธศาสนิกบ้างครูบาอาจารย์บ้างซึ่งบางทีก็อาจเอาออกไปจากท่านผู้อ่านเองก็เป็นได้แต่เลือกเฟ้นเฉพาะที่ไม่ผิดศีลธรรมและคำสั่งสอนทางศาสนาวิธีการบางอย่างท่านผู้อา่านบางท่านอาจนึกเริงเกียจเห็นว่าเป็นการประจบสอพปอซึ่งสังคมพากันเรองเกียกก็เป็นได้จึงขอทาความเข้าใจไว้เสียก่อน ประจบสอพอคาว่าประจบมีความหมายเท่ากับคําว่าบรรจบแปลว่าพบหรือรวมหรือสมานเข้าด้วยกันเช่นน้าสองแควไหลเข้ามารวมกันแล้วคล้อยตามกันไปเรียกว่าประจบความประพฤติของคนมีลักษณะอยู่สองอย่างหนึ่งคืออยากให้เขารักตัวจึงคล้อยตามเขาเขาว่าหนังดีก็ว่าดีด้วย เขาว่าละครดีก็ว่าดีด้วยเอาความเห็นของตัวไปบรรจบความเห็นของคนอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เรียกว่าประจบเป็นความประพฤติที่น่าเกลียดคนที่มีนิสัยอย่างนี้เรียกว่าคนหัวประจบวิธีประจบก็คือคอยเสริมความคิดเห็นให้เขาตัวอย่างคำสนทนาระหว่างพระราชาองค์หนึ่งกับอมาตย์หัวประจบดังนี้ ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่องพันธมิตรระหว่างเมืองเรากับเมืองพิชัยบุรีสักหน่อยราชาตรัสขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่งพะยาค้าเริ่มประจบความจริงผู้ครองเมืองเขานิสัยดีสมควรจะเจริญพระราชมิตรีพระยาข้าแต่ทว่าเขาเตรียมจะรบกับเรานั่นสิพระยาค้าจะป่วยการเจริญพระราชมตรีปรเปล่าๆ แล้วเราควรจะทำอย่างไรนั่นสิพะยะค่ะแหมคิดไม่เข้าไม่ออกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่ท่านอาตมาแหมอย่างใจนึกเชียวพะยะค่ะเรามองโปร่งหมดและอื่นๆการประจบแบบนี้หมายความว่าผู้ประจบไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวหากินอย่างเดียวคือคอยประจบเท่านั้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ส่วนวิธีปกครองใจคนดังจะเสนอต่อไปแม้จะมีโอนอ่อนผลตามผู้อื่นก็เป็นนโยบายอันชอบคือเป็นการทำโดยอุบายคนหัวประจบแบบนั้นเป็นผู้ตามแต่ผู้ใช้พุทธวิธีครองใจคนต้องเป็นผู้นำคือมีหลักเป็นของตัวเองแล้วเหนี่ยวคนอื่นเข้ามาสู่หลักของตนโดยอุบายอันชอบคนหัวประจบนั้น เปรียบกับคนกระโดดลงไปในแม่น้ำแล้วเลยว่ายตามน้ำไปส่วนผู้ใช้พุทธวิธีครองใจคนเปรียบเหมือนคนที่ขุดคลองไปทะลุแม่น้ำเพื่อนำน้ำให้ไหลไปตามที่ต้องการเป็นการนำน้ำไม่ใช่ตามน้ำส่วนวิธีการสอพลอนั้นใช้วิธีเอาความผิดพลาดของคนอื่นมาเสนอนายเลวแท้แต่ก็มีนายชอบเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นหูเป็นตา แต่หารู้ไม่ว่านายเองก็ถูกนำไปขายกินที่อื่นเหมือนกันนิสัยคนสอพลอมักจะชอบคุยยุยงคือช่วยกระพือใจคนอื่นให้เกลียดชังผู้นั้นแล้วหันมารักตัวตกลงว่าวิธีครองใจคนไม่ใช่ทั้งสองประจบก็ไม่ใช่สอพลอก็ไม่ใช่ขอกธรรมะอย่าได้รังเกียจเลยวิธีแต่และอย่างถ้าปฏิบัติถูกต้อง ตามความมุ่งหมายแล้วจะไม่ปรากฏว่ามีความรู้สึกข้างอกุศลในจิตใจเลยเชิญหยิบขึ้นมาพิจารณาและเริ่มทดลองกับคนที่ใกล้กับท่านที่สุดดูก่อนวิธีที่หนึ่งจงทำความชอบใจให้เขาในวงเล็บหรือทำให้เขาได้กลืนน้ำลายของเขาเองมีกฎตายตัวอยู่ว่าจิตทุกดวงหยุดอยู่กับอารมณ์ที่ตัวชอบ ถ้ามีที่ชอบอยู่สองที่ก็ไปหยุดอยู่อันที่ชอบมากกว่าคนที่ชอบสิ่งใดถ้ามีผู้เสนอให้สิ่งที่ชอบเขาจะรักผู้นั้นคนอยากสุ บ, บรีถ้าใครควักบุรีให้เขาก็ชอบคนหิวข้าวมีผู้ให้ข้าวกินก็ชอบตามทางมารยาทเวลาใครทาอะไรให้เป็นที่พอใจเรานิยมบอกกับผู้นั้นว่าขอบใจ ขอแวะตรงนี้สักนิดเถอะคำว่าขอบใจที่เราใช้กันทุกวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นคํากลอนออกมาจากคําว่าชอบใจนั่นเองในหนังสือเก่าเคยเห็นใช้คําว่าชอบใจต่อมาจะเป็นที่ว่าพยัญชนะกลอนลงไปหางตัวชอช้างหลุดหายไปไหนก็ไม่ทราบเลยกลายเป็นตัวขอไข่และพูดกันว่าขอบใจอย่างทุกวันนี้ ความจริงคําว่าชอบใจดูจะอมความได้ดีกว่าหมายความว่าเราเป็นผู้ชอบส่วนใจนั้นหมายถึงใจของผู้ที่ทําให้เราชอบคือเราไปชอบใจเขาส่วนคําว่าขอบใจมีทางที่จะทําความเข้าใจได้น้อยเกือบจะหาข้ามอธิบายไม่ได้แม้จะแท่งอธิบายก็ดูเป็นการฝืนความจริงใจชบกนคาว่าขอบตามทางภาษาไทยหมายถึงริม เช่นขอบกระจาดขอบหนองขอบป่าขอบนาและอื่นๆทีนี้ใจคนเราเป็นของไม่มีขอบตำมาลาไหนๆก็ไม่เคยพบที่อธิบายว่าใจคนมีขอบเหมือนกระดงกระจาดแล้วเหตุใดจึงพูดกันว่าขอบใจหรือเอาละถ้าสมมติว่าใจมีขอบแล้วธุระอะไรเราจึงต้องบอกเขาว่าขอบใจ ในเมื่อเขาทําอะไรให้จะมีเป็นการบอกเขาว่าเขาทําถูกใจเราแต่เพียงเฉดเฉียดริมริมกระนั้นหรือถ้าเราบอกเขาว่ากลางใจเสียเลยจะไม่ดีกว่าหรือที่ว่านี้จะเป็นที่ว่าข้าพเจ้าจะคิดมากไปหรืออย่างไรแต่ถ้าท่านผู้ใดว่างๆไม่มีอะไรจะคิดลองคิดเล่นเบ้างก็ดีเหมือนกันวิธีทําให้คนขอบใจนั้นก็มีอยู่วิธีเดียว คือทำให้เขาถูกใจท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่าใจของคนมีพฤติการอย่างไรบ้างวิธีปฏิบัติง่ายๆก่อนจะพบปากสนทนากับใครถ้ามีเวลาพอจะสอดส่องดูก่อนว่าคนๆ น, นั้นใจเขาชอบอะไรเพราะตามปกติคนเรามักจะมีเรื่องที่ชอบเฉพาะตัวจริงๆอยู่อย่างหนึ่งหรือสองอย่างที่เรียกว่ารสนิยมเช่น บางคนชอบดูหนังบางคนดูลิเกบางคนชอบทางกินบางคนชอบทางเที่ยวแล้วแต่รสนิยมของใครรสนิยมอย่างนี้มีอยู่ในบุคคลแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์เช่นพระบางองค์ชอบทางเรียนบางองค์ชอบทางเทศบางองค์ชอบทางสวดบางองค์ทางเครื่องตั้งเครื่องลายคราม ป้านกังไสหล่อพระแจกพยันและอื่นๆอีกมากรวมความว่าคนทุกคนย่อมมีรสนิยมเป็นของตัวก็แล้วกันเมื่อเราทราบว่าผู้ที่จะติดต่อนั้นชอบรสนิยมอย่างไรก็จงให้รสอย่างนั้นแก่เขาเท่าที่ขอบเขตแห่งความสมควรจะพึงอำนวยให้สมมติว่าเราจะเข้าไปจีบผู้หญิงคือพูดให้เขารัก ถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชอบดูหนังเราก็อาจต้องชวนพูดถึงเรื่องหนังบอกเขาว่าเฉลิมกรุงกําลังฉายเรื่องนั้นเฉลิมไทยกําลังเปลี่ยนโปรแกรมอีกสามเดือนทราบว่าจะมีหนังยอดเยี่ยมมาฉายในเมืองไทยแต่ถ้าเขาชอบดูลิเกเราก็ต้องเสนอเรื่องลิเกแม้คุณเอ๋ยวิกบางลําพูเพชรตัดเพชรวิกบางกระบือเกลือจิ้มเกลือ ถ้าคุณผู้หญิงนั้นเกิดมีหัวนิยมทางกินเป็ดย่างที่ไหนดีไอศครีมที่ไหนอร่อยเล่าให้ฟังให้คุณเธอน้ำลายไหล ย, ยืดได้ยิ่งดีพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดถูกใจทำให้ใจของผู้ฟังออกรับอารมณ์ด้วยความเบิกบานแล้วก็เลยชอบคนพูดถ้าพูดถูกใจจริงๆถึงผู้พูดกลับไปแล้วก็ชักคิดถึงตงิดตงิดและรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาพูดให้ฟังอีก คนเรามักจะผิดพลาดในเรื่องการคลองใจตรงที่ไม่คำนึงถึงความชอบใจของคนอื่นและไม่ให้ความชอบใจแก่ใครๆมีแต่เอาความชอบใจของตนออกหน้าถ้าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขท่านบูใด ย, ยังไม่พบความสำเร็จในการคลองใจลองใช้วิธีนี้ดูบ้างมีเมียก็นึกถึงใจเมียมีผัวก็นึกถึงใจผัว อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็นึกถึงใจท่านท่านชอบเร็วเราเร็วให้ท่านชอบช้าเราช้าให้เขาชอบบน่นเรานิ่งเสียเท่านี้ก็สิ้นเรื่องขี้คร้านจะได้เป็นลูกเขยคนโปรดวิธีทำให้เขาชอบใจนี้กล่าวโดยย่อ ก, ก็คือเรายกของเปรียปร้ยวๆให้เขาดูเพื่อให้เขาได้กลืนน้ำลายของเขาเอง